ตัวอย่างแนวฝึกที่หนึ่งรู้ลมหายใจเข้าสั้นและลมหายใจออกสั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในคนทั่วไปรู้ให้เหมือนรู้การพลิกฝ่ามือก็จะพบว่าการรู้ลมหายใจในเบื้องต้นง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือนั่นเองเพียงเรารู้ตามจริงว่าอย่างนี้เข้าอย่างนี้ออก และทั้งเข้ากับออกนั้นจัดว่าเป็นลมสั้นๆขอให้ระลึกว่าเราต้องการเพียงภาวะรู้จริงไม่ได้ต้องการความสงบไม่ได้ต้องการปรุงแต่งให้ลมหายใจเป็นอย่างใดยอย่างใดและสังเกตว่าเมื่อรู้ตามจริงได้สองสามละลอกลมเข้าออกความรู้จริงนั้นจะแปลเป็นความรู้ตัวขึ้นมาระดับหนึ่งคือรู้สึกว่ามีตัวอยู่ในท่านั่ง ข้อ 2. ในความรู้ตัวลมที่เกิดขึ้นนั้นมองให้ออกว่าเราเกิดความสุขสุขเวทนาคือผ่อนกายให้สบายใจหรือว่าเกิดความทุกข์ทุกขเวทนาคืออึดอัดคับคล้องหรือว่าเกิดความรู้สึกเฉยเฉยคือเฉยอยู่ในระหว่างสุขกับทุกตรงนี้บางทีตัดสินยากนิดหนึ่งเมื่อเริ่มแยกแยะ แต่แทนที่จะติดอยู่กับความลำบากที่จะตัดสินว่าเรียกว่าอะไรก็ขอเรียกว่าเป็นความรู้สึกเฉยๆไปพลางๆโดยทั่วไปแล้วเมื่อเริ่มรู้ตัวเล็กๆจะยังไม่สุขหรือทุกข์ขึ้นมาชัดสรุปว่าในความรู้ตัวเบื้องต้นนี้เรามีเวทนาเป็นความรู้สึกเฉยๆ ความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นนั้นมองให้ออกว่าจิตของเรามีความโลภอยากสงบเจืออยู่หรือไม่ถ้าไม่มีให้รู้ว่าจิตไม่มีความโลภเป็นอย่างนี้แล้วมองออกว่าจิตของเรามีโทสะอันเกิดแต่ความอึดอัดภายในหรือไม่ถ้าไม่มีให้รู้ว่าจิตไม่มีโทสะเป็นอย่างนี้แล้วมองให้ออกว่าจิตของเรามีโมหะอันเกิดแต่ความมื่หรือไม่ ถ้ากำลังรู้ชัดในลมหายใจหรือทุกขมะสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีโมหะหยาบเป็นอย่างนี้แต่โดยมากแล้วจิตเป็นคนเราก็จิตของคนเรานั้นค่อนข้างจะพร้อมเมอมากกว่าอย่างอื่นถึงแม้ไม่เมอก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนจัดเป็นโมหะหยาบอีกชนิดหนึ่งอยู่ไร้ก้อนอัตตามันขวางความเห็น กายใจอยู่มืดทมึนก็สรุปว่าในความรู้เวทนาเบื้องต้นนี้เรามีโมหะอยู่ในจิตเป็นหลักข้อสี่ในความมีโมหะที่เกิดขึ้นนั้นมองออกว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ดูเข้าไปตรงๆแม้ว่าจะเหม่ออยู่เฉยๆก็มีแรงยึดแรงเหนียวอันเป็นนามธรรมปรากฏอยู่ให้รู้ได้ธรรมดาของจิตนั้น เมื่อรู้สิ่งใดก็ยึดสิ่งนั้นทันทีเช่นถ้าเป็นของใกล้ตัวอย่างกายและใจก็ยึดว่าเป็นของตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นชายเป็นหญิงถ้าเป็นของไกลตัวก็ยึดว่าเป็นของของเราเนื่องด้วยเราต่อเมื่อเริ่มได้แนวสังเกตด้วยอุบายคือความรู้ตามจริงว่าในความรู้สึกตัวก็ดีในอัทถุขมสุขเวทนาก็ดี ในความมีโมหะของจิตก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะหนึ่งที่มีความแปรปรวนไปเช่นรู้ลมหายใจสั้นสักพักความรู้ตัวอันดีนั้นจะปรุงลมหายใจยาวขึ้นได้เองหรือในอุกคขมาสุขเวทนานานไปเมื่อถูกปรุงด้วยลมหายใจที่ดีขึ้นก็แปรตัวกระเดียดไปทางสุขเวทนาแทนเป็นต้นอย่างนี้ความรู้สึกยึด ในภาวะใดภาวะหนึ่งก็จะต่างตัวลงเองสรุปว่าเมื่อเห็นกายเวทนาและจิตชัดก็สามารถรู้เข้าไปในธรรมอละเอียดเช่นความยึดมั่นถือมั่นและความคลายวางเมื่อวางได้ก็จะเริ่มเห็นรางๆงว่าที่ผ่านมานั้นเป็นทุกข์ก็เพียงเพราะยึดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนต้องแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยแท้จิตเริ่มฉลาด ในทางปล่อยวางขึ้นบ้างแล้วคือรู้เข้าไปในภาวะจริงๆว่าถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ รู้ตามลำดับแล้วก็อาจจะกระโดดไปกระโดดมาระหว่างลำดับได้เช่นพอเมื่อแล้วรู้ตัวว่าเมื่อก็เห็นว่านั่นคือโมหะที่มีอยู่ในจิตเมื่อรู้ว่ามีโมหะอยู่ในจิตก็ย่อมเห็นว่าเมื่อความยึดมั่นอยู่ในบางสิ่งที่เด่นชัดสุดหน้าจะได้แก่กายอันญากแทนที่จะปล่อยให้ยึดกายแบบลอยๆแบบเบล อ, บลอ ก็รู้กายให้ชัดขึ้นโดยถามตัวเองง่ายๆว่าตอนนี้ลมหายใจเป็นขาเข้าหรือขาออกเมื่อรู้ลมหายใจตามเป็นจริงก็ถามตัวเองว่ากำลังสุขทุกข์หรือเฉยๆวนเวียนเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยไปไม่จำกัดเวลาช้านานหรือสถานที่เหมาะสมเพียงใด ขอเชิญติดตามรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรโดยดังตรินต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะคะตัวอย่างแนวฝึกที่สองหนึ่งรู้อิริยาบถนอนอันเป็นอิริยาบถ ท, ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบที่สุดเพราะสบายที่สุดแค่ถามตัวเองว่ากำลังอยู่ในอิริยาบถใดเมื่อตอบว่านอนก็ให้รู้แค่อาการนอนนั้นไม่ต้องไปดูรายละเอียดใดๆของกาย ภาษาอันเป็นส่วนของการนอนจะเปิดเผยต่อจิตขึ้นมาเองความรู้ตามจริงกําลังนอนนั้นจะสมผลเป็นความรู้ตัวขึ้นมาระดับหนึ่ง 2. ในความรู้ตัวนอนที่เกิดขึ้นนั้นเบื้องแรกจะเห็นสุขเวทนาชัดเพราะน้ำหนักถ่ายลงวางโดยมีพื้นที่เกือบทุกจุดช่วยกันรองรับ ต่างจากอียริยบดยืนที่มีเท้าขาและหลังเป็นหลักทรงน้ำหนักตัวจากอียริยบทนั่งที่มีก้นและหลังเป็นหลักรับน้ำหนักตัวเป็นต้นสรุปว่าในความรู้ตัวนี้มีสุขเวทนาเจืออยู่ 3. ในความรู้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้น สังเกตว่าจิตมีความโลภอยากนอนนานๆอยู่หรือไม่ถ้าสังเกตได้ก็จะรู้ว่าหน้าตาความโลภนั้นไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ชัดเจนอย่างตอนโลภสมบัติอย่างเดียวแต่มีโลภเล็กน้อยอะไรนี้อยู่ด้วยในความโลภอยากนอนอย่างไร้สตินั่นเองโมหะคือความมือและความรู้สึกมีตัวเราผู้นอน ก็ได้ช่องเกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วย 4. ในความรู้ตัวนอนตัวสุขตัวโลภและตัวหลงนั้นจะสังเกตว่ามีความม่วงงนหรือความฟุ้งซ่านสัดนสายอันจัดเป็นนิวรกั้นขวางความก้าวหน้าในการรู้ธรรมะอยู่หรือไม่เมื่อตระหนักว่ามีนิวรณ์อยู่ ก็พิจารณาตามจริงว่ามีทางใดพาให้พ้นจากนิวร์ได้เช่นถ้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจะช่วยขจัดความฟุ้งซ่านซัด ส, สายลงไปได้บ้างไหมถ้าหลับตากำหนดว่าความสุขในความรู้ตัวจัดเป็นความสว่างชนิดหนึ่งจะช่วยให้ความม่วงงลดลงได้ไหมเมื่อรู้จักสังเกตแต่ละระดับ ขอให้ดูรายละเอียดเข้าไปนิดนึงเช่นเมื่อกายลงนอนหงายในเบื้องแรกจะเป็นสุขเพราะกล้ามเนื้อทุกส่วนคลายตัวเนื่องจากพื้นที่ช่วยรับน้ําหนักนั้นกระจายทั่วแต่เพียงครู่เดียวสุขเวทนาที่เกิดจากการนอนก็เจอจางลงอย่างรวดเร็วอาจแปลเป็นความทุกข์เพราะนอนแช่นิ่งก็ทําให้กล้ามเนื้อส่วนหลังซึ่งแบกน้ําหนักของตัวเองมีความเกรงขึ้นมาหน่อยหน่อย ต้องเปลี่ยนท่านอนเป็นตะแคงสลับบ้างหรือขยับตรงล้นทีตรงนี้ทีแบบเลือกท่าใหม่ให้เหมาะบ้างบางทีก็อาจถึงขั้นหยุบยิกบอยชนิดที่ไม่เคยสังเกตเป็นตัวเองมากเกาะมาก่อนทุกครั้งที่เปลี่ยนอิริยาบถสุขทางกายจะเกิดขึ้นขณะที่มีการถ่ายเทจากจุดรับเดิมไปยังจุดใหม่เสมอ ถ้าดูจะรู้ทันเท่านี้ก็จัดว่ามีฐานคือกายและเวทนาเป็นที่ตั้งของสติตลอดเวลาได้เช่นกันอย่าต้องให้ต่อยอดถึงสภาวะจิตและสภาวะธรรมขั้นยึดหรือไม่ยึดวางหรือไม่วางแต่ละคนสามารถคิดแบบฝึกได้เองตามแนวที่ผูกขึ้นด้วยฐานของสติทั้งสี่ไม่ว่าจะอยู่ในอุรยาบทไหนฟงซ่านปานใด ก็สามารถหาลักษณะที่เด่นที่สุดได้เสมอและไล่ลำดับยาละเอียดสลับกันได้เสมอการเห็นเพียงแวบๆนี้แม้จะไม่เกิดปัญญารู้แจ้งไม่เกิดสมาธิระดับแนบแน่นอย่างน้อยก็ช่วยให้จิตไม่อยู่ในอาการส่งออกเมื่อไม่ส่งออกบ่อยเข้าก็จะเข้ามาเป็นกันเองรู้ตัวสติปัฏฐานมากขึ้นเป็นลำดับอีกประการหนึ่ง ทุกคนจะพบว่าการเรียกสติด้วยการผูกสายพิจารณาเข้ามาในภาวะจริงของรูปและนามอย่างหยาบนี้ช่วยให้กิเลสทั่วไปลดลงได้โดยเช่นเมื่อมีโทสะอย่างแรงพลุ่งพล่านขึ้นมาหากชั่วขณะหนึ่งเรารู้ตัวทันและรู้ว่าจิตกำลังเสวยทุกขเวทนาเห็นแรงอัดของโทสะที่หยาบ และร้อนเห็นความยึดมั่นที่ถูกแรงให้ทวีตัวขึ้นสูงเกินขีดธรรมดาจิตอันประกอบด้วยปัญญาก็ทำงานเองตัดไปหาความรู้จักปล่อยวางแม้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เกิดความรู้ตัวแบบสติปัฏฐานเอาซสเลยอย่างไรก็ะเบียงไว้ต่อทุนแก้ตัวใหม่ในคราวหน้าได้ นิยามของสมถะและวิปัสนาในจิตตุปาปาทกันพระอภิธรรมปิดกเล่มหนึ่งนิยามลักษณะจิตอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของสมถะและวิปัสนาไว้ดังนี้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 ปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเหมือนเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนปะตักปัญญาเหมือนปัญญินีปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราสาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้ว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 พระพุทธเจ้ามิได้ทรงระบุจำแนกแยกแยะว่าตรงไหนคือสมถะตรงไหนคือวิปัสนาแต่มีหลักฐานว่าพระองค์ให้จํากัดแนวปฏิบัติโดยแยกนิยามเป็นสัสดส่วนว่านี่สมถะนั่นวิปัสนาเช่นกันดังเช่นพระพุทธองค์ตรัสไว้ในปฐมปัญญาพระศุกตันตปิโดกเล่มที่สิองคือดูกระภิกษุทั้งหลาย ทำสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาทำสองอย่างเป็นฉนคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งดูก ร, ราภิษุทั้งหลายสมถะที่พิสุจเจริญแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละราคะได้วิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญา ปัญญาอบรมแล้วย่อมสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมอวิชชาได้แม้แต่ผู้ที่บรรลุทำขั้นต้นแล้วก็ยังไม่จบกิจยังไม่ถึงแก่นขั้นลึกของพระพุทธศาสนาก็ยังจำเป็นต้องเจริญทั้งส่วนของสมถะและวิปัสสนาดังเห็นได้ในมหาวัชโคตรสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ห้าที่ภิกษุชื่อวัชชะบวชได้เพียงครึ่งเดือน ก็ถึงมรรคผลชั้นต้นเป็นพระโสดาบันบุคคลท่านก็เข้าไปกราบทูลขอคำแนะนำขั้นต่อไปจากพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ท่านก็ตรัสว่าดูกระวัชิจถ้าเช่นนั้นเธอจงดูธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดดูกระวัตจักธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้ เธอจเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจะเป็นไปเพื่อแทงตลอดในธาตุหลายประการสรุปคือจะเป็นผู้เริ่มภาวนาหรือผู้ภาวนากระทั่งถึงมรรคผลแล้ว ก็ยังต้องเจริญทั้งสมถะวิปัสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่จะละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความประมาทไม่สำคัญไม่จำเป็นตามข้อที่จริงในการปฏิบัติประการหนึง่งก็คือถ้ากิเลสยังถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสหยับๆยาโอกาสที่จะเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของรูปนามเพื่อความปล่อยวางเพื่อความรู้แจ้งในกายใจไม่ใช่ตัวตนนั้น เรียกว่าไม่เคยมีขอให้นึกว่าถ้ากําลังโลภอยากกินของอร่อยตรงหน้าอย่างแรงจัดขนาดน้ํำลายไหลสอหรือกําลังฟุ้งซ่านเป็นทุกข์กับปัญหาหนักอกมึนตื้อจิตจะอยู่ในความพร้อมพิจารณาโลภะในจิตเป็นอนิจจังหรือไม่หรือพร้อมพิจารณาทุกขเวทนาของที่เกิดแต่เหตุหรือไม่เพราะฉะนั้น ถ้าใจยังไม่สงบจากเครื่องรบกวนหนักๆก็ต้องทำให้สงบบ้างด้วยการตัดใจออกจากของอยากพอมีสติบ้างแล้วก็ผูกใจไว้กับสิ่งหนึ่งวัตถุอันเป็นเครื่องผูกใจนั้นเรียกว่าอารมณ์หรืออารมณ์สมาธิมีอยู่แล้วในมหาสติปัฏฐานสูตรเราต้องสังเกตสังกาแยกแยะเอาตามนิยามของสมถะ และวิปัสสนายกตัวอย่างเช่นในอนาปานบับพระพุทธองค์ได้รู้ลมหายใจหลายต่อหลายแงย่ถ้าแ ง, ง่ที่รู้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกอันนั้นก็คือผูกใจไว้กับอารมณ์เฉยๆยังไม่ได้พิจารณาอะไรก็เข้าข่ายเป็นสมถะส่วนถ้าจะปฏิบัติอะไรอย่างเช่นพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างดังนี้เรียกว่าใช่ลมหายใจที่รู้นั่นเองเป็นอารมณ์วิปัสนาคือเห็นธรรมดาเกิดดับเพื่อปล่อยวางลมหายใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสรุปคือตัวของสภาวะอันเป็นวัตถุแห่งการรู้นั้นไม่ใช่ตัวบอกว่าเป็นสมถะหรือวิปัสนาเช่นลมหายใจเหมือนๆกัน ยังถูกรู้ได้โดยความเป็นสมถะและวิปัสนาตัวบอกที่แท้จริงว่าตรงไหนเป็นสมถะตรงไหนเป็นวิปัสนาก็คือตัววิธีรู้หรืออาการดําเนินจิตนั่นเองรู้เฉยๆเพื่อสงบจากกิเลสหยาบถือว่าเป็นสมถะรู้เพื่อเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ตัวตนถือว่าเป็นวิปัสนาทุกหมดของมหาสติปัฏฐานโสดจะลงเอ่ยด้วยการ รู้โดยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเสมอเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่ามาหาสติปัฐานสูตรทั้งหมดก็คือทำวิปัสนาให้แจ่มผ่านการตายลำดับมาจากสมถท t กล่าวไว้ดังนี้ก็เพื่อขจัดปัญหาที่มาเกิดขึ้นคือความเห็นเป็นฝักเป็นฝ่ายฝ่ายหนึ่งอยากทำสมาธิก่อนให้เหตุผลว่ากำจัดนิวรณอันเป็นอุปสรรคขวาก้ําในทางวิปัสนาใชได้ แต่แท้จริงมีในแอบแฝงคือชอบรสชาติความสงบพอทำสมาธิแล้วก็เอาแต่จมจออยู่กับรถนั้นทั้งวันหรือได้สมาธิแล้วก็เอาไปเล่นสนุกอื่นๆไม่น้อมพิจารณารูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้ทำสมาธิให้เหตุผลว่าทำสมาธิเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนานำพาให้หลงทาง แต่แท้จริงอาจจะมีในแอบแฟนคือไม่ประสบความสำเร็จในงานสมาธิและชอบใจที่จะศึกษาค้นคว้าให้แตกฉานทั่วถึงความรู้ในพระไตรปิฎกมากกว่าจะภาวนาให้ทุกลมหายใจเข้าออกในชีวิตนี้เป็นวินาทีของการเดินทางบนสายแห่งความ้นทุกข์เมื่อตั้งทิฏฐิหรือความเห็นไว้ถูกต้องตรงดีแล้ว การแบ่งแยกระหว่างสมถะกับวิปัสนาจะไม่มีเมื่อทำสมถะจะเห็นรากของความเป็นวิปัสนาเพราะจิตตั้งมั่นสามารถเห็นสภาวะรมตามจรงิงเมื่อทำวิปัสนาจะเห็นความก้าวหน้าที่เอาไปเติมใส่ส่วนสมถะเพราะจิตมีความปล่อยวางกิเลสเบาบางไม่ฟุ้งซ่านซัดสายไปข้างนอกเช่นเคยเพราะฉะนั้นหากเห็นใครนั่งหลับตานิ่ง จเจริญสุขในฌานกลางถ่ำกลางเขาก็อย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาทำผิดต้องดูว่าในใจเขามีแผนที่ภาวนาไว้อย่างไรอาจจากสุขในฌานและจิตเขามีสติอยู่ในฐานไหนพอเพียงที่จะไปถึงความเข้าใจอริยสัจหรือไม่ในอีกภาพลักษณ์หนึ่งถ้าเห็นใครเอาแต่ลืมตากินนอนดื่มทำพูดคิด อยู่ในชีวิตประจำวันตามปกติทุกอย่างไม่เคยหลับตาทำสมาธิเลยก็อย่าเพิ่งด่วนนึกประมาทว่าท่านผู้นี้คงไม่มีส่วนแห่งการภาวนากับใครแท้จริงโลกภายในของเขากำลังสว่างโพลงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับวันเวลาแห่งการเจริญสติถูกทางตรงหลักสติปัฏฐานสี่ก็ได้และถ้าใครอ้างว่าเรียนรู้พระธรรมคมภีมามาก ทำทั้งสมถะทั้งวิปัสนามานานปีแต่กิเลสไม่ลดลงเลยยังประกอบพร้อมด้วยโมหะขอไปค่ะยังประกอบพร้อมด้วยโมโนทุจริตวัจีทุจริตและกายทุจริตครบวงจรอย่างนี้สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่างานสมถะและวิปัสนาของเขาบกพร่องไม่ได้ทําจริงหรือทําจริงแต่ว่าไม่ตรงทางเสียแล้ว สรุปบทนี้เหมือนปูพื้นให้เข้าใจครอบกลุ่มว่ามาหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวถึงวัตถุอันเป็นที่วางที่ประดิษฐ์สถานของสติชิ้นใดบ้างจึงเป็นโอกาสอันควรยกตัวอย่างไปในตัวว่ากายใจอันเป็นปัจจุบันสภาพจิตอันเป็นปกตินี้จะรู้จักสติปัฏฐานสี่อย่างง่ายด้วยการผูกลำดับเช่นไรเมื่อหัดสร้างฐานสติ ถ้าทำถูกสิ่งหนึ่งที่จะพบก็คือพอเผลอแล้วรู้ตัวว่าเผลอเมื่อใดเมื่อนั้นจิตก็จะตัดกลับมาสู่กับฐานที่สร้างไว้ดีแล้วเองทราบแนวทางเบื้องต้นเช่นนี้ก็น่าจะพร้อมลงรายละเอียดและหมดต่อไปแล้วหากทาความเห็นว่าควรปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เฉพาะทางถนัดเช่นจะขอตาม รู้ตามดูเพียงกายอย่างเดียวหรือเวทนาอย่างเดียวหรือจิตอย่างเดียวหรือธรรมอย่างเดียวก็อาจทําให้สติทื่อลงในหลายๆเวลาเพราะขาดทักษะความสามารถในการกำหนดรู้สิ่งที่กำลังเด่นอยู่เดียวนั้นจริงนับเป็นการสมควรที่เราจะศึกษาวิธีดูกายคือสติปัฏฐานสีให้ถี่ถ้วนเพื่อความไม่อ้อมค้อมเพื่อความตัดตรง เพื่อความกระจางแจ้งแทงตลอดถึงอริยสัจสี่อย่างแท้จริงต่อไปพุทธพจน์ดูกระรภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอคือภิกษุในพระาศาสนานี้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดารงสติไว้เฉพาะหน้า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 ย่อมสำเนียดว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดทั้งลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียดว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียดว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียดว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าดูกรรภิกษณ์ทั้งหลาย